นิวรณ์ถ้ากล่าวโดยการเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าว่ารวมๆก่อนนะว่านิวรณ์ถ้ามีอยู่ณนะภายในจิตก็รู้ชัดใช่ไหมนิวรณ์ทั้งห้าแต่ถ้าว่าโดยศัพท์นี่ก็บอกว่ามีอยู่ณนะภายในถ้าโดยศัพบเฉยๆนะว่าเมื่อ น, นิวรณ์ห้ามีอยู่ณนะภายในก็รู้ชัด เมื่อนิวรณ์ห้าไม่มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดแต่เขาแปลเพิ่มมาอีกให้ให้ใหชัดว่าในจิตนะแต่ว่าโดยพยัญชนะแล้วไม่มีจิตอยู่ด้วย<ส>พล้วก็เมื่อนิวรณ์ห้ามีอยู่ณภายในก็รู้ชัดจริงๆแล้วนิวรณ์มันก็ต้องเกิดในจิตอยู่ดีอนะทีนี้คําว่าเกิดก็คือหมายถึงว่ามันเหมือนกับประทุ ข, ขึ้นเนืองๆบ่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่ามีอยู่ณภายในจิตถ้านิวรณ์ไม่มีอยู่ณภายในจิตก็ รู้ชัดนิวรณที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดนิวรณที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดนิวรณที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดเนี่ยนะก็เน้นปัญญานะคือคือตัวตัวที่ปฏิบัติจริงๆคือปัญญาที่เข้าไปรู้ชัดทั้งหมดเลยนะเข้าไปรู้ชัดนิวรณ์ทั้งเกิดขึ้น ทั้งไม่เกิดขึ้นทั้งที่ยังไม่เกิดจะเกิดทั้งที่เกิดแล้วจะละได้นะนะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นหมายความว่าจบเมื่อไหร่ก็ต้องรู้ชัดหมดเลยเข้าไปรอบรู้ทั้งหมดเพราะว่านิวร น, นี้เป็นปหาตัปธรรมนะเป็นธรรมที่ควรควรละนี่ะนิวรนเมื่อเป็นปหาตัปธรรมซึ่งเป็นธรรมที่ควรละนั้นการพิจารณาเนี่ยพระผู้มีพระภาคให้พิจารณาเป็นภายในบ้าง เป็นภายในบ้างก็คือของตัวเองนะเป็นภายนอกบ้างก็คือของคนอื่นหมายถึงว่าพิจารณาของตัวเองระยะหนึ่งพิจารณาคนอื่นอีกระยะหนึ่งนะเรียกว่าตามการคือไม่มีใครสามารถว่าพร้อมกันเลยว่าโดยขณะจิตเนี่ยนะแต่คนที่ชํานาญก็เหมือนกับพร้อมกันนั่นแหละแต่จริงๆแล้วก็คือการพิจารณาของตัวเองพิจารณาของผู้อื่นพิจารณาของผู้อื่นพิจารณาของตัวเองเนี่ยนะสลับคระเคล้ากันไปอย่างนี้ ซึ่งการที่จะละนิวรได้บางทีเนี่ยนะที่จะเห็นโทษก็เห็นเพราะคนอื่นมีนิวรชนิดนั้นนั้นเราเลยรังเกียจเราจึงละได้ก็มีใช่ถ้าหากว่าไม่อาศัยคนอื่นเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างบางทีเราก็อาจจะไม่คิดละนิวร น, นั้นนั้นก็ได้เนี่ยนะเช่นบางคนไม่กโกรธเพราะเห็นคนอื่นกโกรธแล้วมันน่าเกลียดอย่างเงี้ยนะคนอื่นไม่ทำตัวให้ถีนะกลุ่มรุมเพราะเห็นคนอื่นเขาถีนากลุ่มรุมมาก ตัวเองเป็นคนสงบเพราะเห็นคุณฟุ้งเนี่ยมากเนี่ยนะก็อาศัยการเห็นคนอื่นนี่ก็เป็นปัจจัยที่จะให้เห็นทุกข์เห็นภัยของนิวรณ์การพูดถึงนิวรณ์เหตุผลหลักหรือความจําเป็นเนี่ยนะก็คือการเห็นเพื่อละเนี่ยนะจุดประสงค์จริงๆนะเห็นเพื่อละนั้นคนที่รู้จักนิวรณ์จริงๆก็คือคนที่ละนิวรณ์ได้ไม่ไม่ไม่ปล่อยให้อ่านิวรณ์เนี่ยกลุ่มลม เพราะฉะนั้นเขาจะรู้ถึงเหตุเกิดของนิวรณ์นไว่านิวรณ์แต่ละอย่างนี่เกิดเพราะอะไรเช่นการมาฉันทานิวรณ์ถ้าว่าแบบยอ่อเหตุให้เกิดการมาฉันทานิวรณ์คืออะไรคืออโยนิโสมนัสิการในโสภณิมิตบ่อยบ่นิวรณ์ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นไอที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับว่าถ้ามันเกิดขึ้นเหมือนกับเติมเชื้อให้จะแรงขึ้น ปฏิพยาบาทนิวร์ถ้าจะเกิดเพราะอโยนิโสในปฏิฆานิมิตในสิ่งที่น่ารังเกียจคิดแบบนั้นมากๆพยาบาทเกิดถ้าถีนามิทานิวร์ก็คือมนสิการในอารติให้มากๆนะนมีอะไรบ้างมีอารติน่นะมี ต, ตันที่เนี่ยนะความเกลียดคร้านความบิดกายความเมาอาหารความหดหูแห่งจิตการที่คิดในสิ่งเหล่านี้บ่อยๆบๆทีนะัมิทะก็ก็เกิดมากขึ้นส่วนอุทจักกุกกุจานิวรณ์ที่เกิดขึ้นก็เพราะสายใจในอะวูปะสมะเนี่ยนะคือความไม่สงบด้วยสมถวิปัสนาส่วนวิจิกิจฉานิวรณ์ก็คือสายใจ ในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิิชาร์ตัวหลักๆเหตุสำคัญของการเกิดขึ้นของนิวรณก็คืออโยนิโสมนาสิกานไอโยนิโสมนาสิการก็พูดอีกในหนึ่งว่าอากุศลวิตกก็ได้ เนี่ยนะเพราะว่าไอวิตกกับมณสิกาเนี่ยมันธรรมะกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะอยู่กลุ่มประเภทอัญญสมนาเหมือนกันเนี่ยนะพอเรียกว่าน้อมจิตโอนไปอย่างนี้เนี่ยนะซึ่งด้วยอำนาจของอากุศลอยู่แล้วก็ไปเห็นไ ป, ไปน้อมจิตด้วยอากุศลในโสภานิมิตเนี่ยนะหนึน่ง ปฏิฆะนิมิตอย่างหนึ่งสายใจในอารติตันที่เป็นต้นเนี่ยนะอารติก็คือความเอือมระอาในการเจริญกุศลเอือมระอาในที่หลีกเร้นตันที่ก็ความเกียจคร้านความเมาอาหารเป็นต้นนั่นเองทีนี้อารติน้อมไปในทีนามิทะน้อมไปในตันที่เป็นต้นอุทจักุกุจานิโวโรก็น้อมไปใน อวูปสมะคือความไม่สงบส่วนวิจิกิจฉานิวร์ก็คือน้อมไปในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาก็คือตัววิจิกิจฉานั่นแหละหมายถึงตัววิจิกิจฉานะน้อมไปเพื่อที่จะสงสัยอยู่แล้วอันนี้แหละเป็นเหตุให้นิวรณ์เกิดขึ้น การพิจารณาถึงเหตุเกิดของนิวรณ์แบบนี้เรียกว่าสมุทยธรรมานุปัสสีนั่นเของเราเรียนไประดับหนึ่งและใช่แต่บาลีอย่างเดียวใช่ไหมมีบาลีหมดเลยเราแก่งขึ้นแล้วนะจางแกสุรามี่นะพอได้แล้วนะชักมองออกไปเยอะแล้วะ ชินไปนะสมุทัยแปลว่าเหตุเกิดเยอะนะธรรมะก็แปลว่าปกติอนุปัสสีแปลว่าการเห็นโดยปกติซึ่งความเกิดของนิวรณ์สมุทัยก็คือเหตุเกิดนะซึ่งเหตุเกิดของนิวรณ์ว่านิวรณ์ถ้ามันจะเกิดเกิดเพราะอย่างนี้นะเกิดเพราะอายุนิโสมณัิการการมาฉันทาชาจะเกิดก็เพราะคิดในเรื่องสุภนิมิต โทสะถ้าจะเกิดก็เพราะคิดในเรื่องของปฏิฆะนิมิตเห็นนะย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นไทยๆบ้างนะเดี๋ยวเขาพูดบาลีมากๆนะคนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเขากโกรธะนะคือคิดถึงในเรื่องงามบ่อยๆงามหรือดีมากๆนะน้อมจิตไปแบบนี้คือเหตุให้เกิดการมาฉันทานิวรหรือสมุทัยของการมฉันทานิวอ ถ้าสมูทัยของปฏิฆานิวรณก็คิดถึงไอความขัดเคืองไว้บ่อยๆสิ่งที่มันขัดเคืองขัดมูขขัดตาขัดไปทุกเรื่องอ่ะ น, นะโดยเฉพาะไอคิดสิ่งที่คิดในสิ่งที่เราขัดใจมากๆอันนั้นแหละปฏิฆะนิวรจะเกิดขึ้นหรือคิดถึงความเบื่อความน่าเบื่อความเกียดคร้านอ่ะ น, นะน้อมไปแบบนี้บ่อยๆทีนะมิทะก็เกิดถ้าคิดถึงแต่เรื่องไอความฟุ้งซ่าน ความเร่าร้อนเนี่ยนะคิดถึงแต่ความเร่าร้อนคิดถึงแต่ความฟุ้งซ่านหรือคิดถึงแต่ไอความผิดที่เป็นที่ตั้งแห่งความฟุ้งซ่านบ่อยๆ อ, อันนั้นก็ก่อให้เกิดความเรือร้อนใจเนี่ยนะเรียกว่าอุทาจากักกุกุจานิวรอาวุปัสมานี่แปลว่าความไม่สงบไม่สงบแปลว่าพวกถึงคิดถึงไอสิ่งที่มันเร่าร้อนก็ได้นะสิ่งที่ก่อให้เกิดความเร่าร้อนส่วนธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจชาก็คือความ สงสัยเนี่ยนะหาเรื่องที่จะให้มันสงสัยบ่อยๆคิดแบบนี้แหละเรียกว่าเหตุเกิดของวิจิกิจชาการตามเห็นเหตุเกิดเหล่านี้เป็นธรรมดาเรียกว่าพิจารณาโดยอ่นะสมุทยธรรมานุปัสสีวะคือพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นของนิวร์บ้าง่านะอันนี้เป็นธรรมดาแต่ตอนแรกย้อนไปตอนแรกก่อนของธรรมะกลุ่มนี้นะคือให้พิจารณาเป็น ภายในก่อนพิจารณาเป็นภายนอกและทั้งภายในกับภายนอกทีนี้เวลาถ้าเราจะสังเกตพิจารณาคนอื่นว่าธรรมดาถ้านิวรณ์ของแต่ละคนจะเกิดอเพราะอะไรเราจะเห็นเลยว่าคนอื่นที่นิวรณ์เขาเกิดเพราะเขาคิดแบบนี้อันนี้คือเหตุเกิดของนิวรณ์อันนี้เรียกว่าหัวข้อว่าด้วยสมุทยัยเนี่ยนะ สมุทยะหรือสมุไทยนั่นเองนะพิจารณาเห็นเหตุเกิดเป็นเรื่องธรรมดาของการเกิดของนิวรถ้าวยะธรรมานุปัสสีวาเนี่ยนะวยะแปลว่าเสื่อมถ้านิวรณ์มันจะเสื่อมนี่เสื่อมเพราะอะไรเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นโยนิโสมนานสิการโยนิโสมนานสิการในสิ่งที่มันตรงกันข้าม คือน้อมไปในอสุภนิมิตอันนี้เป็นความเสื่อมเนี่ยนะเรียกว่าเป็นความดับของกาณฉันทะนิวรณ์ถ้าโยนิโสมนัสิการไปในเมตตาเนี่ยนะเมตตาเจโตวิมุตต์น้อมไปหาเมตตาบ่อยๆอันนั้นเป็นไปเพื่อลดหรือเพื่อละเพื่อความหมดตายแห่งพยาบาทนิวรณ์ถ้าน้อมไปใน أ, ความเพียรเนี่ยนะอารัพพะธาตุนิกกามธาตุปรกรามธาตุเนี่ยนะน้อมไปในความเพียรความริเริ่มความก้าวหน้าบากบันทั้งหลายอันนั้นก็เป็นไปเพื่อละทีนมิทะเนี่ยนะส่วนการโยนิโสน้อมไปในวูปัสมะคือความสงบนะน้อมไปในสมถาวิปัสสนาบ่อยๆก็สงบประงับจาก อ้ถ้าจากกุกจานิวร์ถ้าน้อมไปในการเลื่อมสายแห่งคุณพระรัตน์ตรเป็นต้นก็เป็นเหตุให้ละวิจิกิจฉานิวรการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าวยธรร ม, มานุปสีวาเนี่ยนะคือพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมของนิวร์บ้างเนี่ยนะไม่ใช่เอาแบบสมัมนเณีรูปหนึ่งนะ สมณเในรูปหนึ่งเขาเขาไปมีธุระอยู่ที่หนึ่งเขาโกรธมากเขาบอกนี่ไงมันไม่เที่ยงไงมันเกิดละอีกพักหนึ่งนะคุยถูกค อ, อกันแล้วมันไม่เกิดแกบอกนี่มันดับไปแล้วไงนี่ไงมันดับไปแล้วเขางั้นนี่มันเกิดดับไา ม, มา่ธรรมะมันไม่เที่ยงอย่างงี้แหละเขางั้นถามว่าถ้าพูดอย่างนี้นะฟังแล้วเข้าสูตรเราไหมนึกโกรธขึ้นมาแล้วนะแล้วมันเลิกโกรธนี่ไงมันเกิดดับแล้ว นะเกิดดับอย่างไครก็รู้ไม่ต้องศึกษาทำมาให้มันเมื่อยหรอกอันนี้หมายถึงรู้แบบถึงว่าปัจจัยอะไรหนอที่ทําให้นิวรณ์เกิดขึ้นแล้วเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นธรรมด า, านะปัจจัยอะไรหนอที่จะทําให้ละนิวรณ์ทั้งหลายเหล่านี้อย่างนี้เขาเรียกว่าพิจารณาความเกิดและความดับของนิวรณ์เนี่ยนะทีนี้แต่ถ้าจะดับจริงๆเนี่ยนะต้องโยนิโสระดับไหนนิวรณ์จึงจะละได้เด็ดขาด เนี่ยนะการมฉันกามฉันท่านิวรเ น, นี่ยนะข้อหนึ่งต้องระดับอรหัตตมักเนี่นยนะพาปาท่านิวรต้องเป็นอนาคามิมักทีนมิท่านิวรต้องอรหัตตมักอุทจนิวรเ น, นี่ยต้องอรหัตตมักส่วน ก, กุกุจานิวร์ ต้องอนาคามีมักวิจิกิจฉานิวรณ์ต้องละด้วยโสดาปฏิมักเนี่ยนะต้องถ้าจะดับนิวรณ์ได้อย่างสมุเฉ ท, ทประหารจริงๆก็ต้องอาศัยอารยมักทั้งหลายเหล่านี้ถ้าไม่ถึงขั้นอารยมักทั้งหลายเหล่านี้จะไม่ได้ดับอย่างแท้จริงแต่การดับ ตอนที่โยนิสโสมนสิการเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นการดับเหมือนกันแต่ดับด้วยสมถะและมิปั ส, สนาเนี่ยนะเพราะโยนิสโสมนศสิการอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะโยนิสโสมนสิการอันนี้แหละเคาเรียกว่าการเจริญสมถะอย่างหนึง่งวิปัสสนานี่อย่างหนึง่งต้องไม่ลืมว่าคำว่าสมถะนี่กว้างมากเนี่ยนะถ้าคำว่าสมถนะนะโดยศัพเป็นศัพท์ที่กว้าง ถามว่ากว้างยังไงก็ไปพูดที่กรุงเทพให้เขางงมาแล้วนะ้กลับมาต่อเชียงใหม่อีกหน่อยมีบางคนก็วางโอ้ยนั่งสรประงกให้เราเห็นบ่อยมากบอกโห้ยทำไมมันยากจังล่ะงั้นก็เดือนลักรั้งอะนะไปพูดเรื่องง่ายๆก็เสียเวลาเราแย่ย ที่ไปกรุงเทพก็พูดแต่โครงสร้างเป็นหลักยังไม่ได้เจาะเข้ารายละเอียดอะไรเลยพูดถึงอัะนนะ้หลังย้อนๆที่กรุงเทพมานิดหนึ่งว่าทำไมมันจึงมาเป็นสมถะได้ยังไงเห็นไหพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้นี่ตรัสรู้อะไรอริยสัจนะอันนี้ค้นกัน อริยสัจนี้ประกอบไปด้วยทุกขอริยสัจสมุทยัยอริยสัจนิโรธอริยสัจแล้วก็ทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจเนเรียกว่าทุกขะก็คือตัวทุกนิโรธดับคามินีปฏิปทาก็คือข้อปฏิบัติ นนะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับซึ่งทุกขเนี่ยนะทีนี้ถามว่าทุกคืออะไรย่อมาแล้วก็เหลือคือขันห้5ถามว่าทำไมมันจึงเป็นทุกข์เพราะขันเหล่านี้เป็นไปกับชาติชราพญาทิแล้วก็มรณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นไปกับสิ่งเหล่านี้ก็เลยเรียกว่าขันห้าเป็นทุกขอ่ะ น, นะ ตันหาที่เป็นปัจจัยให้ขันห้าเกิดหรือเป็นตัวที่ทําให้ตันหาเกิดตัวนั้นแหละเรียกว่าเป็นเหตุแห่งทุกเนีย่ยนะทั้งขันหา้าทั้งตันหาเรียกว่าปวัตตะแปลว่าความเป็นไปแห่งทุกส่วนนิโรดนั้นคือความไม่เป็นไปเนี่ยนะนิโรธที่เรียกว่านิพานหรือว่านิวานะความสิ้นตันหา หรือการสํารอกกัรหาโดยไม่มีส่วนเหลือเรียกว่าอัปปมา เ, าเข้าไปอัปปวัตต์ความไม่เป็นไปแห่งวัตทุกข์นนะความไม่เป็นไปแห่งวัตทุกพร้อมทั้งเหตุเกิดทีนี้ถ้าเราจะกล่าวโดยกิจทุกขาริยศาสนั้นเป็นปริญญากิจสมุทัยศาสนั้นกิจคือการละประหานะส่วนนิโรศาสนั้นทําให้แจ้ง เนี่ยนะคือสัจจกิริยาคือการทำให้แจ้งในกิจทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะถ้ากล่าวโดยสภาวะทำแล้วทุกเนี่ยเราต้องไปาหาทุกมาทับถมเพิ่มอีกไหมไม่ต้องไม่ต้องไปเจริญไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะตัวทุกเพราะมันมีอยู่แล้วพาราในการกินดื่มเขี้ยวริมเราก็ต้องดูแลมันอย่างดีอยู่แล้วกลัวมันจะเสียหายตันหาก็ต้องเจริญไหม ไม่ต้องเพราะไม่ค่อยพร่องเลยเนี่ยนะเต็มเปี่ยมทุกทวารเนี่ยนะส่วนนิโรธก็เป็นธรรมชาติที่สงบระ ง, งับสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ต้องมามาเจริญอะไรแต่สิ่งที่ต้องเจริญเนี่ยคือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะที่เรามาเรียกกันย่อๆว่าอารยมักเนี่ยนะ อรอยิยมรรคที่ประกอบไปด้วยองค์แปดแต่ในขณะที่มรรคมีองค์แปดเกิดขึ้นเนี่ยมีแต่มรรคใช่ไหมไม่ใช่ธรรมะอย่างอื่นต้องประชุมกันธรรมะอื่นที่มาประชุมกันนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างสติปฐานส่สมมติปทานอสมมานอันนะี้อิทธิบาทสอินสีห้า พละหโทโพชฌงเจแล้วก็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะถ้าเรามากล่าวโดยองธรรมนะกล่าวโดยองธรรมนี่มีอะไรบ้างสติประทานคือองธรรมคืออะไรก็ได้แก่ตัวสติสัมมารประธานคือ วิริยะส่วนอิธิบาทประกอบไปด้วยฉันทะวิริยะจิตและปัญญาที่เรียกว่าวิมังสาส่วนอินทรีก็ประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยนะส่วนพระก็เหมือนกันคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา ส่วนโพชงนั้นประกอบไปด้วยสติสัมโพชงธรรมวิจยสัมโพชงคือปัญญาวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสัตทิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงและอุเบคาสัมโพชงส่วนมรรคแปก็ประกอบไปด้วยปัญญาวิตกอนะัสเรติอีกสาม คือสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะนะที่เหลือก็เป็นสัมมาวายามะคือวิริยะสติและสมาธิเนี่ยนะถ้ากล่าวจัดกลุ่มธรรมะวีรติศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาพละเนะี่ยกลุ่มนี้เป็นศีล ยังคือศรัทธาทั้งศรัทธสัินีศรัทธาภละเป็นศีนะและวีระตีด้วยอ่ชันทะด้วยก็ได้อันนี้เป็นกุศลสีจัดสงเคราะห์เป็นขันคือสีละขันเอาคัดออกปัญญาออกมาก่อนอย่เขาบอกว่าถ้ายางนี้ให้เปลี่ยนสีปัญญา น, นี่วิมังสิตทธทิบาทปัญญีปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชงและสัมมาทิฐิ น, นี่อันนี้และอีกอย่างหนึ่งคือสัมมาสังกปปะ น, นี่อันนี้เป็นปัญญาขัน น, นี่ ส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะที่เหลือทั้งหมดเรียกว่ากลุ่มสมาธิขันเนี่ยนะที่เหลือที่ไม่ได้วงทั้งหมดนะกลุ่มธรรมะที่เหลือเรียกว่าสมาธิขันทีนี้ทั้งศีลทั้งสมาธิเรียกว่าสมถะทั้งศีลทั้งสมาธิเรียกว่าสมถะส่วนที่เหลือเรียกว่าวิปัสนาเนี่ยนะ ทั้งหมดนี้เรามาเรียกโดยย่อๆนะว่าธรรมะกลุ่มเหล่านีเมื่อประชุมการเรียกว่าทุกขะนิโรธค า, ามินีปฏิปทาทั้งหมดนี้เรียกว่าข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกเนี่ยนะข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกธรรมะทั้งหมดที่รวมๆกันนี่เรียกว่าโพธิปัจยธรรมเท่าไหร่37อันนะ โพธิปักขยธรรม37นี้เป็นกุศลธรรมที่เราต้องเจริญต้องเจริญให้บริบูรณ์ทีนี้เมื่อกุศลธรรมเหล่านี้บริบูรณ์เมื่อไหร่เห็นไหมอุปมาว่าธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหมือนตัวยา37ชนิดนะนะแล้วมารวมกันเข้าเรียกว่า1 1ึ่งนึ่แคปซูลหรือ1เม็ดก็เรียกไป็นไเรียกหน่งเม็ดเม็ดแรกถ้ารวมกันได้อย่างนี้เรียกว่าโซดาปฏิมัก ธรรมดาเม็ดเดียวไม่หายหรอกต้อง4เม็ดหรือถ้าพูดแบบเป็นเข็มก็ได้แต่เข็มคนไม่ค่อยชอบอ่า น, นะรวมกันมาประจุและฉีดหนึ่งครั้งเรียกว่า1เข็มเนี่ยนะโสดาปฏิมักอ น, นะถ้าฉีดหนึ่งเข็มยานี่นะดับโรคไปได้ตั้งเยอะและ้ว น, นะคือดับเชื้อที่จะทําให้โรคเนี่ยเกิดเยอะแต่ว่าเข็มเดียวไม่หาต้องเข็มที่สองคือสกัธาคามีมักเข็มที่สก็เป็นอนาคามีมัก เข็มที่4ี่ก็เป็นอรหัตตะมักเนี่ยนะการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะกว่าจะรวมตัวยากันได้ไอ้ตรงนี้แหละที่ยากพระผู้มีพระภาคก็ตรัสอยู่แล้วว่าในบรรดาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในในการปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะที่ต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งขึ้นคือ น, นี่ข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เนี่ยนะต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมากทีนี้ถ้าเราจะกล่าวโดยพระไตรปิฎกเนี่ยนะคำสอนในพระไตรปิฎก ทั้งหมดที่พระองค์แสดงก็เพื่อให้เห็นคุณของกุศลธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเราคิดว่าอ่านแต่ละสูตรคงเห็นโพธิปัจจยธรรมอย่างน้อยหนึ่งคำเห็นไหมน่าจะเห็นบ้างนะเคยเอาไปคิดบ้างไหมว่าเอ็นี่ลองคัดนะโพธิปัจจยธรรมมีตั้งสาบเจ็ดนะลองอ่านอ่า น, านแล้วคัดคั ด, ค ด, ดูว่ามันเข้าอะไรบ้างกันไหมมันเข้าในตัวยาไหนบ้างที่พระพุทธเจ้าสอนแต่โดยมาก ในขณะโ ล, โ, ลโลกุตระเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้ยกพร้อมกันทั้งหมดหรอกบางทีก็ยกพอพอเป็นตัวอย่างเนี่ยนะเรียกพอเป็นตัวอย่างให้เห็นเท่านั้นเองเ น, นะแต่ผู้ที่ศึกษาถ้าศึกษาในด้านพระพิธรรมอย่างละเอียดก็จะต้องรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนั่ น, ะนก็เขาก็งงเลยบอกโหยากมาก นั้นอริยมรร์เหล่านี้เนี่ยนะที่กล่าวไปกุศลธรรมทั้งหมดเหล่านี้แหละเป็นตัวที่ละนิวรณ์ได้โดยเด็ดขาดเนี่ยนะแล้วก็ตามสมควรแก่นิวรณ์ด้วยนะต้องบริบูรณ์ด้วยกุศลธรรมเหล่านี้นั่นก็หมายถึงว่ากุศลธรรม ท, ทั้งที่เป็นสมถาวิปัสนาบริบูรณ์ในขณะอริยมรร์แต่ว่าอริยมรร์ก็ตั้งสีม่มรร์ แต่ในเบื้องต้นขณะที่เจริญกุศลรลรรำเหล่านี้อยู่ก็ละนิวรณ์โดยนะก็แล้วแต่องค์ธรรมนั้นๆ น, น, นะถ้าองค์ธรรมนั้นอยู่ในขั้นศีลก็เป็นตะทางค่าประหารถ้าระดับสมาธิก็เป็นวิขัมภณะประหารหรือปัญญาก็เป็นตะทางค่าประหารแต่เมื่อทั้งวิขัมภณะประหารตะทางค่าประหารประชมรวมกันเมื่อไรเมื่อนั้นแหละเป็น สมุทเฉทประหารผลของสมุทเฉทประหารเรียกว่าปฏิปัสสีิประหารเนี่ยนะโดยอาศัยนิสระประหารคือนิพานเป็นอารมณะปะจัจจัยเป็นอารมณ์เนี่ยนะที่ทำให้สงบระ ง, งับจากสังขารทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยนะ